สานนิวิทิุกรอบกรั ว, 9, ว 6, ก่าวศตรรษ106กัประชาพระมหาภัยบุญอภิปุนโนจากวัดป่าอนายศมาพบกับดัมบูฟังในช่วงของวันจันทร์ถึงวันพุธกระนัเรื่องราวที่เป็นนิทานธรรมบทบ้างเป็นพระสูตรบ้างมาอา่านมาอธิบายให้ดัมบูฟังได้ฟังเป็นหน้าที่ของสมณนะดัมบูฟัง ในการให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทําสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความจำแนงบางเรื่องบางราวครัพเจ้าเห็นว่ามีความน่าสนใจก็จะนําเรื่องราวเหล่านั้นที่อาจจะไม่ได้ยังเคยพูดในรายการนี้มาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันแล้วก็ในช่วงของวันพฤหัสและวันศุกร์นั้นก็จะมาสนทนาพูดคุยคําถามเรื่องราวที่เป็น เกี่ยวกับในชีวิตประจาวันเหตุการณ์ปัจจุบันอะไรต่างๆบ้างกับคุณสันสินินักพงศ์ในวันนี้ก็จะได้ให้ฟังนิทานธรรมบทธรรมฟังเป็นเรื่องราวของภิกษุสองรูปหนึ่ภิกษุรูปแรกนั่นก็ชื่อว่าโกกาลิกะเป็นภิกษุที่ไปเที่ยวดาว่าคนเดินๆหมายถึงดาว่าภิกษุอื่นปรากฏภิกษุนี้ไปดาว่าท่านพระสารีบุตร แล้วกัท่านพระมามกลานะด้วยสุดท้ายภิกษุรูปนี้ด้วยปากของตัวเองเป็นโทษก็เลยจะไม่ไปตกนรกถูกธรณีสูบไปอันนี้ก็เป็นหนึ่งในไม่กี่คนท่า น, นเองต้องฟังในสมัยพุทธการที่ถูกธรณีสูบพระพุทธเจ้าได้ปรารบเรื่องของภิกษุโกคาริกะที่มีโทษไปตกนรกเนี่ยเพราะว่าปากของตนได้เคยเล่านิทานในอดีตให้ฟังว่า พิษุรูปนี้เนิมเมื่อก่อนก็มีโทษเพราะว่าปากของตัวเองเหมือนกันเรื่องของเต่าคาบหงจะพาเต่าข้ามไปสู่บึงอีกบึงหนึ่งก็เลยเอาไม้ให้เต่าคาบแล้วหงสองตัวก็คาบที่ปลายไม้ทั้งสองข้างแล้วก็บินพาเต่าไปยังที่ยางใหม่ปรากฏเต่านั้นรักษาปากของตัวเองไม่ได้ก็เลยทำให้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 ที่กล่าวไว้แล้วในอัตถกถานั่นแหละเมื่อพระโกกาลิกะไปเกิดในปทุมะนรกแล้วภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงตามว่าโอภิกษุชื่อโกกาลิกะถึงความพินาศเพราะปากของตนขณะที่เธอด่าพระอราสาวกทั้งสองอยู่นั่นแหละพ่นดินได้เปิดเป็นช่องให้แล้ว พระศาสดาเสด็จมาแล้วจึงตรัสถามว่าขณะนี้พวกเธอนั่งประชุมสนทนาด้วยเรื่องอะไรกันเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลให้สงสาบจึงได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุชื่อโกกาลิกะพินาศพระปากของตนในบัดนี้เท่านั้นก็หามีได้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 ในป่าหิมวันลูกหงสองตัวไปเที่ยวหากินผูกมิตรกับเต่านั้นเกิดสนิทสนมอย่างแน่นแฟน้นวันหนึ่งหงถามเตาว่าเพื่อเหนยพวกเราอยู่ในถ้ำทองณที่ราบแห่งภูเขาชื่อจิตตากูดในป่าหิมพานเป็นสถานที่น่ารื่นรมท่านไปอยู่กับพวกเราไหม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 เตาร่วงจากท่อนไม้ที่คาบตกลงมาตายพวกเด็กชาวบ้านเห็นหงพาเต่าไปอย่างนั้นจึงพูดกันว่าหงสองตัวใช้ท่อนไม้หามเต่าไปหนังนี้เต่านั้นอยากจะบอกว่าก็สหายทั้งสองพาเราไปเองเรื่องนี้กงการอะไรของพวกเองเล่าให้พวกเด็กเปรดชั่ว ตานนั้นจึงปล่อยปากจากท่อนไม้ที่ตนขคาบไว้ในขณะมาถึงเหนือพระราชนิเวศในพระนครปาราสีตกลงที่พระลานหลวงแตกเป็นสองซีกพระหง์บินด้วยความเร็วตอนการพูดมากไม่ถูกเวลาให้โทษพระศาสดาครั้นทรงนำอดีตนิทานนี้มาแล้วได้ทรงแสดง พะหุพานีชาดกในทุกขนิบาดนี้ด้วยคาถาว่าเต่าขยับจะอ้าปากตอบได้ข่าตนแล้วหนอเมื่อคาบท่อนไม้อยู่ดีดมาข่าตนด้วยวาจาของตนเสียข่าแต่พระองค์ผู้กล้าประเสริฐในหมู่คนคนฉลาดเห็นเหตุ น, นี้แล้วควนเปล่งวาจาที่ดีไม่ควรพูดเกินเวลา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 มัตต์าณีอะนุท ธ, ธาโตอะถังธรรมัญจะทีเปติมะตุรังตัดสะภาสิตังแปลว่าภิกษุใดสำรวมปากพูดด้วยปัญญาไม่ฟุ้งซ่านแสดงทั้งอัตตะและธรรมะภาิตของภิกษุนั้ น, นไพเราะบรรดาคำเหล่านั้นกําว่า มุกขสัญญยโตแปลว่าสำรวมปากหมายความว่าชื่อว่าผู้สำรวมปากเพราะไม่พูดคำว่าเจ้าชาติชั่วเจ้าคนไม่ดีเป็นต้นกับคนชั้นทาสและคนจันทานเป็นต้นคำว่ามันตาภานีแปลว่าพูดด้วยปัญญาหมายความว่าปัญญาพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่ามันตา ผู้มีปกติพูดด้วยปัญญานั้นคำว่าอ น, นุทัตโตแปล ว, ว่าไม่ฟุ้งซ่านได้แก่มีจิตสงบคำว่าอัถังทำมันจะทีเปติแปล ว, ว่าแสดงตั้งอันถะและธรรมหมายความว่าย่อมแสดงอันตะคือบาสิตและแสดงธรรมะคือเทศนา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 หาชื่อว่าเป็นภาสิตไพระไม่ในเวลาจบเทศนาคนจำนวนมากได้บรรลุโสดาปฏิพลแล้วแหละเรื่องภิกษุชื่อโกกาลิกะจบและนั่นคือเรื่องของภิกษุชื่อโกกาลิกะซึ่งในชาติก่อนนั้นท่านเคยเกิดเป็นเตา่าที่รักษาปากตัวเองไม่ได้ในชาติปัจจุบันนั้น ก็ยังรักษาปากตัวเองไม่ได้เหมือนกันก็เลยทําให้ไปตกนรกไปส่วนเรื่องที่2ที่ใช้ฟังในวันนี้ก็เป็นภิกษุรูปที่สองอันนี้เกิดขึ้นก่อนสมัยพุท ธ, ธากาลคือไม่ใช่สมัยพระพุทธเจ้าของเราที่ชื่อว่าสมณโคดมแต่เกิดในสมัยของพระพุทธเจ้าที่ชื่อว่ากัสสปะแต่คือสมัยนั้นพระพุทธเจ้ากัสสปะนี้ก็ปรินิพานไปแล้วเหมือนกันภิกษุรูปนี้ชื่อว่ากัปปิละ บวชภายหลังจากที่พระพุทธเจ้ากระสปบะปริญญิพานไปแล้วแต่ว่าไม่สามารถรักษาธรรมรักษาวินัยไว้ได้เที๋ยวดาบริพาสภิกษุเื่นคิดว่าตนมีความรู้มากแดีสุดท้ายก็ไปตกนรกเหมือนกันท่านฟังเรามาฟังเรื่องของภิกษุที่ชื่อกัปปิละที่ภายหลังได้ไปเกิดเป็นปลาเราก็มีรายละเอียดที่น่าสนใจเกี่ยวกับการที่เราจะศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างไรให้ไม่เป็นงูพิษ แต่สามารถที่จะใช้นำมาเป็นประโยชน์ได้เรื่องของภิกษุชื่อว่ากปิลัก์ในอดีตการเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะปเิณิปานแล้วกุลบุตรสองคนพี่น้องออกบวชในสำนักแห่งพระสาวกทั้งหลายกุลบุตรสองคนนั้นคนพี่ชื่อว่าโสตนะคนน้องชื่อว่ากัปปิลักษ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 ก็ได้ฟังว่าทุระมีสองอย่างคือคันถธทุระหนึ่งและวิปัสสนาทุระหนึ่งดังนี้วิกสุขผู้เป็นพี่คิดว่าเราจะบำเพ็ญวิปัสสนาทุระได้อยู่กับพระอาจารย์และพระอุปชาห้าพรรษาแล้วเรียนกรรมัฐานจนถึงพระอรหันตเข้าไปสูป่ปาพยายามอยู่ ก็บรรลุอรัตผลตอนน้องชายมัวเมาในคันตะทุระส่วนพิ่สูตรน้องชายคิดว่าเรายังหนุ่มอยู่ในเวลาแก่จึงจะบำเพ็ญวิปัสสนาทุระจึงเริ่มเรียนฝ่ายคันตะทุระจนจบพระไตรปิฎกพระอาศัยปริยัติพระกาปิละจึงมีบริวารเป็นอันมาก เพราะอาศัยบริวารลาบก็ได้เกิดขึ้นพระกัปิละมัวเมาเพราะเรียนมามากดูความทะยานอยากในลาบครอบงาเพราะเข้าใจว่าตนฉลาดมากถึงกับกล่าวสิ่งที่คนอื่นบอกว่าควรว่าไม่ควรกล่าวสิ่งที่ไม่ควรว่าควรกล่าวสิ่งที่มีโทษว่าไม่มีโทษกล่าวสิ่งที่ไม่มีโทษว่ามีโทษ แม่ภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักทั้งหลายกล่าวว่าคุณกับพิละคุณอย่าได้กล่าวอย่างนี้แล้วอ้างธรรมและวินยัยกล่าวตักเตือนอยู่พระกปิละนั้นก็กล่าวว่าพวกท่านจะรู้อะไรพวกท่านเช่นกับใบมือเปล่าเป็นต้นแล้วก็เที่ยวกู่ตบาดภิกษุทั้งหลายอยู่เสมอตอนน้องชายไม่เชื่อพี่ ดังนั้นภิกษุทั้งหลายแจ้งเรื่องให้พระโสดาเนระผู้เป็นพี่ชายทราบฝ่ายพระโสดาเถระได้เข้าไปหาเธอแล้วตักเตือนว่าคุณก บ, บิละก็การปฏิบัติชอบของพิกษุผู้เช่นกับด้วยเธอเป็นการสื่อมอายุของพระศาสนาเพราะฉะนั้นเธออย่าได้ละการปฏิบัติชอบแล้วกล่าวคัดคา้าน สิ่งที่ควรว่าไม่ควรเป็นต้นอย่างนั้นเลยภิกษุกปิละมิไดเอือเฟือคำแม้ของท่านแม้เมื่อเป็นเช่นนี้พระเถระก็ตักเตือนเธอสองถึงสมครั้งทราบเธอผู้ไม่รับคำตักเตือนว่าภิกษุนี้ไม่ทำตามคำของเราแล้วจึงกล่าวกับกัปิลาว่ากปิล ะ, ละถ้าเช่นนั้น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 ทำก็ดีวินัยก็ดีไม่มีปาติโมก พ, พวกท่านจะฟังก็ได้ไม่ฟังก็ได้ดังนี้แล้วก็ลุกจากอาสนะหลีกไปพระกปิลักษ์ได้ทำศาสนาคือปริยัตของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่ากัสปะให้เสื่อมลงโดวยวิธีการดังกล่ามานี้ส่วนพระโสนะเทระก็ปฏิพาต์ในวันนั้นนั่นเอง เมื่อสินอายุพระกัปิระได้ไปเกิดในอเวจี v G ah ok. มหานรกมารดาและน้องสาวของเธอซึ่งทําตามพระกปิละดาบริพาสภิกษุทั้งหลายผู้มีศีลเป็นที่รักก็ไปเกิดในอเวจีมหานรกนั้นเหมือนกันตอนโจรเกิดในเทวโลกด้วยอำนาจของศีลก็ในเวลานั้น โจรห้าร้อยคนทำจรกรรมมีการปล้นชาวบ้านเป็นต้นมีความเป็นอยู่แบบโจรทูกหมู่คนในชนบทตามจับโจรทั้งหลายเหล่านั้นหนีเข้าป่าไม่เห็นสิ่งใดในที่นั้นเพราะเป็นที่พึ่งได้เห็นแต่ภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัดรูปหนึ่งไหว้ท่านแล้วก็กล่าวว่าท่านผู้เจริญขอท่าน จงเป็นที่พึ่งของพวกข้าพเจ้าด้วยเถิดพระเทระจึงกล่าวว่าก็ชื่อว่าที่พึ่งของพวกเจ้าเช่นกับศีลนั้นไม่มีจงสมาทานศีลห้าทุกคนเถิดพวกโจรก็รับคำดังนั้นแล้วสมาทานศีลห้าแล้วทีนั้นพระเทระดักเตือนโจรเหล่านั้นว่าบัดนี้พวกเจ้าเป็นผู้มีศีล ไม่ควรร่วงละเมิดศีลไม่ควรประทุษร้ายทางใจแม้เพราะเหตุแห่งชีวิตเลยโจรเหล่านั้นก็รับคาแล้วก็ในครั้งนั้นชาวชนบทเหล่านั้นมาถึงที่นั้นค้นหาข้างโน้นข้างนี้เมื่อพบพวกโจรก็ฆ่าเสียทั้งหมดพวกโจรเหล่านั้นตายไปแล้วเกิดในเทวโลกหัวหน้าโจร ได้เป็นหัวหน้าเทพประบุตรตอนเทพประบุตรหรือปฏิสนธิในตระกูลชาวประมงเทพประบุตรเหล่านั้นเวียนไห้าตายเกิดในเทวโลกสิ้นพุทธันดรหนึ่งเป็นคนเป็นเทพสลับกันในพุทธุปบาทการนี้เกิดในหมู่บ้านชาวประมงห้าร้อตระกูลใกลประตูเมืองสาวัตถี หัวหน้าเทพบุตรถือปฏิสนธิในเรือนของหัวหน้าชาวประมงพวกเทพปบุตรองค์อื่นถือปฏิสนธิในเรือนชาวประมงผู้เป็นบริวารทั้งหมดถือปฏิสนธิและคลอดจากท้องมารดาในวันเดียวกันนั่นแหลหัวหน้าชาวประมงให้คนเที่ยวสอดหาว่าพวกเด็กอื่นในหมู่บ้านนี้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 ว่าเด็กคนอื่นๆตอนกปิละเกิดเป็นปลาใหญ่ชวนพระกะปิละถูกเผาไหม้ในนรกสิ้นพุทธันดรหนึ่งในเวลานั้นได้เกิดเป็นปลาใหญ่ในแม่น้ำอาจิรวดีมีสีเหมือนทองคำแต่มีปากเหม็นด้วยเศษแห่งผลกรรมต่อมาวันหนึ่ง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 คราวนี้พระราชาจะพระราชทานทรัพย์มากมายแก่เราแน่นอนเขาจึงเอาปลาใส่เรือหามเรือไปสู่ราชสำนักเมื่อพระราช า, อ า, ชาทอดพระเนตรเห็นปลานั้นจึงได้ตรัสถามพวกเขาจึงได้กราบทูลว่าเป็นปลาพระชจ้าข้พระราชาทอดพระเนตรเห็นปลามีสีเหมือนทองคําจึงทรงดรําริว่า พระศาสดาจะทรงทราบเหตุที่ปลานั้นมีสีเป็นทองคํำจึงรับสั่งให้คนหามปลาสเสดไปสู่สํานักพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่พอปลาอ้าปากเท่านั้นกลิ่นเหม็นอย่างรุนแรงได้กระจายไปทั่วพระเชตวันพระราชาทูลตามพระศาสดาว่าก็าแต่บระงผู้เจริญพระเห็นไรปลาจึงมีสีเหมือนทองคํา และเพราะเหตุไรกลิ่นเหม็นจึงฟุ้งออกจากปากของมันพระชขขาคาพระศาสดามหาบพิตรในธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปะปลา t ี i ได้เป็นภิกษุชื่อกปิละเป็นพระหูสูตรมีบริวารมากทูกความตยานอยากในลาบครอบงำเสียแล้วดาบริพาฏ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 เป็นเวลานานตัวจึงมีสีเหมือนทองคำเช่นนี้และด้วยผลกรรมที่เธอได้บริพารทิกสุ์ทั้งหลายกลิ่นเหม็นจึงฟุ้งจากปากของเธอมหาบพิษอาตมภาพจะให้ปลาหนนพูดประาชาให้พูดเถิดพระโชะล่าลำดับนั้นพระศาสดาจึงตรัสถามปลาว่าเจ้าชื่อกบปิละใช่หรือไม่ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระชก่าข้าพระองค์ชื่อกาพิละก็แล้วเจ้ามาจากที่ไหนข้าพระองค์มาจากอเบจีมหารกประชก้าก็แล้วพระโสเถนะพี่ชายของเจ้าไปที่ไหนเขาประินที่ผ่านแล้วประชก้าก็แล้วนางสาธนีมารดาของเจ้าเล่าไปที่ไหนเธอเกิดในนรกประชก้า ก็แล้วนางตาปนาน้องสาวของเจ้าเล่าไปที่ไหนเธอก็เกิดในมหานรกพระโชก้ากัปิละก็บัดนี้เจ้าจะไปที่ไหนปลาชื่อกัปิละจึงได้กราบทูลว่าข้าพระองค์จะไปสู่อเวจีมหานรกดังเดิมพระชก้าปลานั้นถูกความเดือดร้อนใจครอบงำแล้วจึงเอาหัวฟาดเรือ ตายในที่นั้นทันทีนั่นเองไปเกิดในนรกแล้วหมหาชนสลดใจเกิดขนลุกชูชันแล้วตอนพระศ า, าสดาตรัสกับปิละสูตรครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรวจ ด, ดูวรารจิตของบริษัทผู้ประชุมกันในขณะนั้นเพื่อจะทรงแสดงธรรมอันสมควรแก่ขณะนั้น จึงตรัสกับปิละสูตรในสุดตานิบาศด้วยคาถาว่านักปราดทั้งหลายกล่าวการประพฤติ ธ, ธรรมหนึ่งการประพฤติปรมจันหนึ่งนั้นว่าเป็นแก้วอันสูงสุดนังนี้เป็นต้นแล้วจึงได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่ามนุษย์ชัสสะบะมัตตจาริโนตันหาวัฏทติมาลุบาวิยะ โสปะละวะตีหูราหุรังภลมิจฉงวะวะนัสมิงวานโรยังเอสาสหตีชัมมีตันหาโลเกวิสัติกาโสกาตัสสะปะวัันติอภิวัตตังวะพีระนังโยเจตังสหตีชัมมิงตันหังโลเกทุรัจจะยัง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 ตัญหาย่อมเจริญแก่คนผู้มีชีวิตอยู่ด้วยความประมาทดุดเท้าย่านสายเขาย่อมเร่ร่อนไปสู่พบน้อยพบใหญ่ดังว่านอนที่ต้องการผลไม้เร่ร่อนไปในป่าฉะนั้นตัญหานี้ลามกมักแผ่ส่้นไปในอารมณ์ต่างๆในโลกย่อมครอบงำบุคคลใดความโศทั้งหลาย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 ผู้ประชุมกันแล้วนะที่นี้ว่าความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงขุดรากตัญหาเสเถิดประหนึ่งผู้ต้องการรากหอมของหญ้าแฝกขุดหญ้าแฝกขึ้นฉะนั้นมารยาละรานท่านทั้งหลายบ่อยๆดุดกระแสน้ำหักรานไม้อ้อเลยตอนแกะ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 เรือเถ่าย่านทรายที่ร้อยรัดรึงรัดต้นไม้งอกงามขึ้นเพื่อทำลายต้นไม้นั้นฉันใดตนาก็ฉันนั้นชื่อว่าเจริญแก่บุคคล น, นั้นเพราะอาศัยถาวรทั้งหกเกิดขึ้นบ่อยๆขอที่ว่าโสปริพละวะติหุราหุรังแปลว่าเขาย่อมเร่ร่อนไปสู่พบน้อย พบใหญ่ความว่าบุคคลผู้ตกอยู่ในอำนาจแห่งตันหานั้นย่อมเร่ร่อนคือแล่นไปในพบน้อยใหญ่ถามว่าเหมือนอะไรแก่ว่าเหมือนดังวานอนที่ต้องการผลไม้เร่ร่อนไปในป่าฉะนั้นคือคําว่าภละมิจฉังวะวะนัสมิงวานโรอธิบายว่าวานอ น, อน เมื่อต้องการผลไม้ย่อมโลดไปในป่ามันจับกิ่งไม้นั้ น, ป ล, น, น, ลนปล่อยกิ่งแม้นั้นแล้วจับกิ่งอื่นปล่อยกิ่งแม้นั้นแล้วจับกิ่งอื่นอีกจึงเรียกไม่ได้ว่ามันไม่ได้กิ่งไม้จึงนั่งเจ้าอยู่ชันใดบุคคลผู้ตกอยู่ในอำนาจแห่งตัญหาก็ฉชนนั้นเหมือนกันเร่ร่อนไปสู่พบน้อยพบใหญ่ ก็พูดไม่ได้ว่าเขาไม่ได้ตามอารมณ์ปรารถนาจึงไม่เป็นไปตามความตะยานอยากคำว่ายังหมายถึงตัณหาอันลามกนี้หมายความว่าตัณหาอันเป็นไปในตะบาลทั้งหกนี้ชื่อว่าหลามกเพราะเป็นของชั่วถึงซึ่งอันนับว่ามักแผ่ซ่านไปในอารมณ์ต่าง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 อันมีวัตตะเป็นมูลย่อมเจริญยิ่งในภายในของบุคคลนั้นเหมือนหญ้าคมบางในปา่าที่ฝนตกรดบ่อยๆย่อมงอกงามฉะนั้นคำว่าตุรัจะยังแปลว่าซึ่งล่วงได้ยากหมายความว่าก็บุคคลใดย่อมข่มคือย่อมคราบงามตนานั้นอันมีประการดังกล่าวแล้ว อันชื่อว่าล่วงได้ยากเพราะเป็นของยากที่จะก้าวล่วงคือที่จะลาได้ความโศกทั้งหลายมีวัด ต, ตะเป็นมูลย่อมตกไปจากบุคคลนั้นย่อมไม่ตั้งอยู่ได้เหมือนหยดน้ำตกไปบนใบบัวคือบนใบดอกบัวไม่ติดอยู่ได้ฉะนั้นข้อที่ว่าตังโมวัามิ แปลว่าเราขอเตือนท่านทั้งหลายได้แก่ประเหตุ น, นั้นเราขอกล่าวกับท่านทั้งหลายคำว่าพัฒังโวแปลว่าความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายหมายความว่าความเจริญจงมีแก่พวกท่านอธิบายว่าท่านทั้งหลายอย่าได้ถึงความพินาษดุจกัปปิละภิกษุรูปนี้เลย คำว่ามูลังแปลว่ารากหมายความว่ า, วาท่านทั้งหลายจงขุดรากแห่งตัญหาอันเป็นไปในทวารทั้งหกนี้ด้วยยานคืออรัตมักถามว่าเหมือนอะไรแก่ว่าประหนึ่งผู้ต้องการรากหอมของหญ้าแฝกขุดหญ้าแฝกฉะนั้นอธิบายว่าคนต้องการรากหอมของหญ้าแฝก ย่อมขุดหญ้าแฝกด้วยจอบใหญ่ฉันใดท่านทั้งหลายจงขุดรากแห่งตันหานั้นฉันนั้นข้อที่ว่ามาโวนลังวะโสโตวะมาโรพินชิปุนัปปุนังแปลว่ามานยาระรานท่านทั้งหลายบ่อยๆดุดกระแสน้ำหากรานไม้อ้อเลยหมายความว่ากิเลสมาร มรณะมานและเทวะบุตรมารจงอย่าระกหานท่านทั้งหลายบ่อยๆเหมือนกระแสน้ำพัดมาโดยกำลังแรงหางรานไม้ออกซึ่งเกิดอยู่ริมกระแสน้ำฉะนั้นในเวลาจบเทสนาบุตรของชาวประมงทั้งห้าร้อยถึงความสังเวชปราถนาจะทำที่สุดแห่งทุกขจึงบวชในสำนักพระศาสดา ทที่สุดแห่งทุกได้ในเวลาไม่นานได้เป็นผู้มีการบริโภคเป็นอันเดียวโดยธรรมเป็นเครื่องบริโภคคืออดเนชะวิหารธรรมและสมาปฏิธรรมร่วมกับพระศาสดาแล้วแหละเรื่องปลาชื่อกาปีละจบะนั่นคือเรื่องราวที่ได้ฟังในวันนี้ตัวฟัง เป็นเรื่องของการที่เราจะรักษาปากของเราอย่างไรไม่ให้มันกลับมาทำร้ายตัวเราเองให้ได้ต้องตั้งสติไว้เติมระวังตัวอย่างที่ไม่ดีเรามีให้เห็นกันไม่ว่าจะเป็นในสมัยพุทธกาลหรือในสมัยปัจจุบันก็ตามรักษาจิตของตัว เ, เองด้วยสติและเติรมระฟังยังมีคำตามหรือข้อเสนอแนะใดๆ <c oughs> เกี่ยวกับการฟังนิทานธรรมบทต่างๆเหล่านี้ <c oughs> ก็สามารถติดต่อกับทางรายการได้โดยทรงเป็นข้อความ ไปที่เว็บไซต์ p, com, p u e h a m a c o m p-u-r-e-d-h-a-m-m-a.com แล้วก็ส่งข้อความกันมาที่นั่นวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาภัยบูญนาปิปุนโนสดริญปกรณ